พวกเราเป็นชาวพุทธเป็นผู้มีความศรัทธาความเชื่อมีภาษาธะความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและในพระอารยาส่งสาวกพวกเราจึงควรเชื่อ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 เราเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพลาคจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากการพัดพลาคจากกันไปไม่ได้นี่คือวิธีที่จะทำให้พวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะจะทำให้เราได้ประโยชน์ได้หลุดพ้น จากความทุกข์ต่างๆทรงให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆคือไม่ใช่แค่วันละครั้งสองครั้ง<ๆ>แต่ให้พิจารณาอยู่เนือง ๆ, ๆเหมือนกับตอนที่ได้ทรงถามพระ อ, อนุนไว้ว่า อ, อนุนวันหนึ่งเธอระลึกถึงความตายมากน้อยเพียงไร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 กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องถอยออกจากการแสวงหาลากยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายกันด้วยการเอาเงินทองที่เราใช้ซื้อความสุขต่างๆซื้อความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกายเอาไปใช้กับผู้อื่นอย่าใช้กับ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 ถ้าจะหาเพื่อมาซื้อปัจจัยสี่แบบมักน้อยสันโดษอย่างนี้จะไม่ใช้เวลามากจะไม่เสียเวลามาก <ừ. S 1> อย่างพระเวลาไปหาอาหารมารประทานก็ใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวไปเบนตบาท <ừ. S 1> <c oughs> ก็ได้อาหารมาเลี้ยงปาก <c oughs> เลี้ยงท้องแล้วอาหารก็ตามมีตามเกิดไม่ต้อง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 มันก็ไม่ได้มาทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกได้นอกจากจะทำให้เราแบกความทุกเพิ่มมากขึ้นแบกกองทุกของราบยศสารเสรยิ่งกองใหญ่ก็ยิ่งทุกหนักไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกได้งนั้นอย่าไปหลงกับการแสวงหาราบยศสารเสร กับการหาความสุขทางจาหูจหมวกรางกายให้เรามาหาลดแห่งธรรมกันลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงอาการที่จะได้ลถแห่งธรรมก็ต้องมีความยินดีในธรรมเพราะความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงนั่นเองชนะความยินดีในลาบยศสรรเสริญเพราะถ้ายินดีในลาบยศสรรเสริญสุขก็จะไปได้รับ กองทุกข์กับเป็นผลตอบแทนถ้ายินดีในธรรมก็จะได้รับลดแห่งธรรมที่ชนะลดทางปวงเป็นผลตอบแทนเังนั้นเราต้องมีความยินดีมีฉันทะฉันทะคือความยินดียินดีในธรรมเมื่อเรามีฉันทะแล้ววิริยะก็จะตามมาจะมีความขยันหมั่นเพียร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 คือการยินดีในธรรมทาให้ใจเรานี่จะจดจ่อจะคิดอยู่วิมังสาก็คิดเรื่องของธรรมไม่ไปคิดเรื่องของลาบยศรรสรรเสญสุขเรื่องของลาบยศสารเส ร, ริญสุขนี่จะตัดทิ้งไปเลยทุกครั้งถ้าจะคิดก็ตัดมันไปจะคิดแต่เรื่องการปีกวิเวกเรื่องความมากน้อยสันโดษเรื่อง ของการทำความเพียรเรื่องของการไม่คลุกคลีกันเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาเรื่องของวิมุติเรื่องของวิมุติญาณ ท, ทัศนจะพุ่งจิตใจไปที่ทำเพียงอย่างเดียวเมื่อมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะมีวิวางสาแล้วผลต่างๆก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะ ฉันทะวิริยะจิตตาวิมังษานี้คืออิทธิบาทสี่นี่เองอิทธิบาทสี่แปลว่าอะไรอิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่หรือความสําเร็จบาทก็คือทางอิทธิบาทก็แปลว่าทางสู่ความสําเร็จสี่ประการด้วยกันถ้ามีคุณธรรมสี่ประการนี้ก็มีฉันทะความยินดีในธรรม มีวิริยะความภาคเพียงที่จะปฏิบัติธรรมมีจิตตะจิตใจที่จดจ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรมมีวิมังสาจิตใจที่ค่ายควรพิจารณาแต่ธรรมพิจารณาธรรมอยู่เนืองๆเรียกว่าวิมังสาพิจารนาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้นี่เรียกว่าวิมังสา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 เจริญศีลสมาธิปัญญานี่คือฉันทะของพระพุทธเจ้าเวรยาของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติจนสลบสลายถึงสามครั้งอดพระกยอาหารถึงสี่สิบเก้าวันทรงตั้งสัจจะอธิษฐานขณะที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพว่าจะไม่ลุกจากที่นีที่นั่งนี้ไปโดยเด็ดขาดราบใดถ้ายังไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้ตัดสรลุ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 มันมีเล็บเราก็มีเล็บมีหนังเราก็มีหนังมีเนื้อเราก็มีเนื้อมันมีอะไรเราก็มีหมดมีอย่างเดียวที่เราไม่มีคืออะไรก็หางเสือเท่านี้เรากลัวหางเสือเลยเอ fel. ออย่างอื่นเราไปกลัวทำไมมันมียังไงเราก็มีอยู่เราก็ไม่เคยกลัวผมของเราเราไปกลัวผมของมันทำไมผมของขนของมันกับ ข, ขนของเรามันต่างกันตรงไหนนี่คือการพิจารณาอย่างเนืองเนือง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 ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อแล้วนําเอาไปปฏิบัติต้องปฏิบัติถึงจะได้ผลถ้าไม่ปฏิบัติกลับมาฟังเทศเด็กสิบปีก็เหมือนเดิมไม่ได้มีความเจริญก้าวหน้าไปแต่อย่างใดก็เหมือนกับทับพีในหม้อกแกงยังไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับรถแห่งรถของแกงสักทีถึงแม้ว่าจะอยู่ติดกันก็ไม่รู้รถของแกงว่าเป็นรถ ชนิดไหนถ้าอยากจะรู้ก็ต้องเปลี่ยนจากทัพพีมาเป็นลิ้นฟังแบบลิ้นกับแกงก็คือฟังแล้วนําเอาไปปฏิบัติเมื่อเราไปปฏิบัติแล้วก็จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงไม่มีทางอื่นไม่มีทางอื่นที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องมีการปฏิบัติ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 คนขับเมาหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือหลับในหรือเปล่าก็ไม่ ร, ร, ร, มรู้วิ่งมาด้วยความเร็วสูงนี่คือความตายที่รอเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราไม่รู้กันเราต้องคิดอย่างนี้เราจะได้ไม่ประมาะนอนใจแม้เช่นั้นเราจะคิดว่าโอ้ยเรายังอายุแค่นี้ยังไปได้อีกหลายปีตอนนี้ขอเที่ยวก่อนขอความสุขจากราบยศสรรเสริญก่อนไอเรื่อง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 แล้วจะมาให้พิจารณาอยู่เนืองเนือก็ไม่มีกําลังที่จะพิจารณาได้ตอนนี้กําลังมีกําลังวังชาที่สามารถที่จ ะ, ะพิจารณาธรรมต่างๆได้ก็ควรจะรีบทําเสียเวลามันจะหมดไปเรื่อยๆวันลนิดวันลหน่อยท่านว่าเวลาเป็นเหมือนกับอเอาสอรพิษงูที่คอยเข้าเมือบเหยือ่อเข้าไปทีละนิดทีละน้นอยอเวลานี้ เกินกินสปปรรพสิ่งสปปรรพสัตว์ทั้งหลายเวลาผ่านไปผ่านไปนี่คนก็จะตายไปทีละคนสองคนหายไปทีละคนสองคนเนี่ยพวกเรานี้อีกสักร้อยปีนี่ไม่มีใครอยู่ในโลกนี้แล้วถูกเวลาเขมือกินไปหมดแล้วอีกร้อยปีนี้ไม่มีพวกเรามานั่งฟังเทศฟังธรรมกันอย่างอยู่ที่เป็นอยู่ขณะนี้ฉงนั้นอย่าประมาทให้รีบใช้เวลาอันมีค่านี้ให้เกิดคุณเปิดประโยชน์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 เหมือนกับใบไม้บนต้นไม้ต้นโพนี้ทุกปีมันจะผลัดมันจะผลัดใบใบเก่ามันก็จะล่วงไปหมดแล้วใบใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาพวกเราเป็นเหมือนใบไม้เก่าเดี๋ยวก็ต้องล่วงลงออกลงดินไปเปิดเปิดทางให้ใบไม้เก่าใบไม้ใหม่ก็ออกมางนั้นรีบทำเสียก่อนที่เราจะตายกันถ้าเราไม่รีบแล้วมันก็จะ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 ถ้ารีบทำทตั้งแต่บัดนี้เพียงไม่กี่วันกี่เดือนก็จะสามารถตักตวงได้อย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองแล้วว่าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีทที่อันเลิศอันประเสริฐทมที่เป็นลถแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงจะเป็นของผู้ที่มีความยินดีในธรรมผู้ที่มีอิทธิบาสีต่อธรรม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 เพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะไม่ขอตอบปัญหาอีกต่อไปงั้นใครมีปัญหาอยากจะถามก็ถามได้ตอนนี้เลยกาบนวศ ก, การค่ะขอวงพ่อเออลูกอยากเรียนถามว่าตอนที่ก่อนจะเข้าพรรษานะคะก็ได้ชาดจุดทูบแล้วก็บอกไว้ว่าเข้าพรรษาปีนี้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 อ๋อค่ะคุณบอกคุณจะรักคนนี้แล้วถึงเวลาคุณไปรักอีกคนอย่างนี้มันมเป็นสัจากหรือเปล่าอ๋อค่ะใครเมืเ่อใดแค่า ง, งั้นเดี๋ยวไปหาวัดต่อค่ะคำถามจาก Facebook ค่ะคำถามจากคุณปราณีวันนี้โยมเห็นข่าวคณะสงฆ์มีมติสวดยาติทุติยมกรรมมาวาจาค่ามบาทผลเอกประยุทธ ยงขอกราบถามว่ามีความหมายว่าอย่างไรคะและเราในฐานะสิทธ์ควรวางตัววางจิตอย่างไรคะเราไปถามโลกที่เขาสวนใี้เราไม่รูกก้เขาสวนอะไรกันคำถามจากคุณกรรวีหนูอยากตัดภพกัดชาติแต่ยังตัดทางโลกไม่ได้เจ้าคะ่ะจะทํายังไงดีคะขอพระอาจารย์แนะนําเจ้าคะ่ะ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 ความหลงน้อยลงมีความสุขมากขึ้นอันนั้นเป็นนามธรรมแต่ถ้ามองในแง่รูปธรรมหากเราใช้ชีวิตแบบธรรมชาติเช่นลดการอาบน้ําเหลือวันละครั้งทําเหมือนพระจากเดิมอาบวันละสองสามรอบเพื่อความสบายตัวเวลากินก็กินเพื่ออยู่ไม่เรื่องมากเรื่องอาหารมีอะไรก็กินอันนั้นเวลาพอเริ่มเจ็บป่วยไม่คิดที่จะ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 แล้วถึงจุดที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ว่าเป็นอย่างไร<ม>ถึงจะรู้ว่าก้าวหน้าหรือถอยหลังเ<ม>พอะตรงจุดนะั้นมันเป็นได้ทั้งสองอย่างก้าวหน้าก็ได้ถอยหลังก็ได้เคยมีอยู่สี่สิบล้านหรือยี่สิบล้านมันก็ถอยหลังแนละ้วเคยมีอยู่สิบล้านแล้วมียี่สิบล้านมันก็ก้าวหน้าฉะนั้นจะให้ตอบแบบยังไงนะ่ะก็ไปรู้ว่าคุณจากจุดไหนไปสู่จุดไหน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 ในซาลาเมียอยากะถามไหมอ่าใเมฆเอาทางบ้านการอยู่กับความว่างและการอยู่กับความรู้สึกตัวเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ถ้าไม่ใช่แตกต่างกันอย่างไร ไม่รู้เหมือนกันมันแตกต่างกันอย่างการรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวความว่างมันก็ว่างมันคนละเรื่องกันนะความรู้สึกตัวรู้ว่าว่างหรือไม่ว่างนั่นเรียกว่าความรู้สึกตัวส่วนความว่างก็คือไม่ได้คิดปรุงแต่งมันก็ว่างคงจะไม่เหม็นไม่คงจะไม่เป็นตัวเดียวกันน้อความรู้สึกตัวก็คือรู้ว่าตอนนี้เราว่างหรือไม่ว่าง แล้วความว่างก็คือเราไม่ได้คิดปรุงแต่งมันก็ว่างคําถามที่คุณลุชานาดานะครับถ้าโยมไม่ได้เดินก่อนนั่งอยากทราบว่ามีผลต่อการทําสมาธิหรืออนิสงส์ที่ได้ต่างกันอย่างไรหรือไม่เจ้าคะเพราะบางทีเวลาที่โยมจัดปฏิบัติมีน้อยเรื่องเดินเรื่องนั่งนี้ไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญฮะ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 ไม่ได้ผลนั่นเองเพราะว่าไม่เจริญสติไม่เจริญพุโทโธพุโทโธก่อนต้องพยายามขยานพุโทโธไว้ตั้งแต่ตื่นจนหลับเบอกให้เขาพอลืมตามาก็าให้พุโทโธไปเลยอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วพอเวลานั่งมันจะสงบมันจะไม่ฟุง้งคําถามทุกทุนทศพลนะครับผมตีงูตายเพื่อปกป้องแมวที่เลี้ยงไว้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 มาถามเรา <laughs> คำถามจากคุณเสริมสัตว์นะครับที่บ้านแม่ทุกวันพระจะไหว้ผลไม้ของขาวหวานแต่บ้านผมไหว้ทุกวันพระเหมือนกันแต่ไหว้พวงมาลัยน้าเปล่าอยากทราบว่าจำเป็นต้องไหว้ยอย่างที่แม่ทำไหมครับและมีความสำคัญหรือเปล่าไหว้อะไรเนี่ย ไหว้พระหรือไหว้ผมไหว้เจ้าหรือไหว้อะไไหว้ไหว้ไหว้พระบนทิ้งนะพระเจ้าอ๋อพระบนทงนั้นท่านไม่ให้ไหว้ด้วยผลไม้ไม่ได้ให้ไหว้ท่านให้ไหว้ด้วยการปฏิบัติปฏิบัติบูชานั่งหลับตาต่อหน้าพระพุทธรูปแล้วก็พุทโธพุทโธไปนี่คือวิการไหว้ที่แท้จริงถ้าไหว้แบบขี้เกียจก็เอาจุดดอกไม้ทูบเทียน แล้วก็ไปนอนเอรียกว่าว่าแบบขี้เกียจถ้าว่าแบบขยันก็ต้องนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปแล้วผลจะได้ต่างกันคำถามเจ้าคุณบอลนะครับใช้ระลึกที่ความว่างหรือความรู้สึกพร้อมทำความรู้สึกตัวเบาๆหรือเปล่าเจ้าคะ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 คำถามจากคุณธนวัฒนะครับทำไมที่ฉันสวดมนต์แล้วเสียงมันจึงดับไปไม่ได้ยินเสียงของตัวเองที่กำลังสวดก็หยุดสวดหรือเปล่าคำถามยังไม่เข้ามานะครับใช่เจะนย้คำถามจาก คุณลักนะนะครับในการปฏิบัติแบบดูจิตเราใช้อะไรมาเป็นผู้ดูเมื่อเรามีจิตดวงเดียวยละเป็นผู้ถูกดูอ๋อเราต้องใช้สติเป็นตัวดูต้องใช้พุทธโธพอจิตสงบแล้เราก็จะเห็นตัวจิตถ้าจิตยังไม่สงบเราจะไม่เห็นตัวจิตเรายังดูจิตไม่ได้ถ้าจิตยังไม่สงบ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 เพระนั่งได้นานเป็นชั่วโมงแล้วติดแต่ออกไม่เป็นแล้วตอนนี้มาพูดได้ยังไงนะถ้าติดมันก็ต้องไม่ออกเลยออกแล้วมันจะว่าติดได้ยังไงคงลักษณะว่าอยากออกแบบเป็นขั้นตอนไม่ใช่ควาออกเลยใช่ไหมครับอ่าไม่ต้องหรอกก็เดี๋ยวมันเข้าไปก็เพื่อให้มันให้มันนิ่งเมื่อมันนิ่งแล้วจะไปออกมาทําไมก็ปล่อยมันออกมาเองถ้ามันยังไม่ออกก็ปล่อยมันอยู่ไปอย่างนั้นดีจะตายไป ถ้ามันเป็นสมาธิจริงๆไม่มีใครอยากจะออกเหมือนคนเข้าไปอยู่ในห้องแอร์แล้วอยากจะออกมาอยู่ข้างนอกร้อนๆนล้วเปไม่อยากนอกจากมีธุระปะปังมีความจะเป็นจะเล่าออกมาทั้งๆอยงใดการเข้าสมาธิก็เหมือนกับการเข้าห้องแอร์ถ้าเข้ามาในสมาธิแล้วอยากจะออกก็แสดงว่ามันไม่ใช่สมาธิแล้วคงจะเป็นคุกมากกว่าพอเข้าปุ๊บก็อยากจะออกทันท like, like, ีเลยนั Honestly, ้นถ <our desires> ้าเป็นสมาธิจริงแล้วมันไม่อยากจะออก แต่มันต้องออกนี่จะอยู่นานหรือไม่นานก็แล้วแต่กำลังของสติคนที่มีกำลังดีๆก็ว่าเข้าฌานได้ทีเจ็ดวันสิบวันสแสดงว่าสติเขามีกำลังมากสามารถทำใจให้นิ่งให้สงบได้นานถ้ามีสติน้อยเดี๋ยวสู้กำลังของตันหาความอยากไม่ได้ความอยากมันจะดูรูปเสียงกลิ่นรดมันก็จะดันจิตให้ออกมาเองไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะอยู่ในนั้น ขอให้อยู่นัานเถิด อ, อยู่ได้นานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีอย่าไปอยากออกมาออกมามันร้อนจะตายไปอยู่ห้องนยเย็นสบายไม่อยู่แล้วนั่งสมาธิไปทําไมคงเป็นลักษณะว่ามีหลายๆสํานักที่ชอบบอกว่าระวังติดสมาธิหน้าเลยแล<า>้วก็กลัวแล้วก็พวกนี้ไม่เคยเจอสมาธิกันไม่ต้งกลัวติดสมาธิทําไม ที่ติดสมาธิไม่ดีตรงที่ว่ามันไม่ไปเจริญปัญญาต่อมันไม่ก้าวหน้าต่อเท่านั้นเองแต่ติดสมาธิก็ดีไปเป็นพรมใช่ไหยจะเสียหายตรงไหนเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ไปเป็นพระอริยบุคคลถ้าติดสมาธิมันก็เป็นพรมไปเรื่อยๆถ้าอยากจะเป็นพระอริยบุคคลตัดภพตัดชาติก็ต้องออกมาเจริญปัญญาถึางจะเรียกว่าไม่ติดสมาธิ คำถามเจ้าคุณพิงแคนนะครับถ้าจากอารมณ์ที่สงบนิ่งเหมือนเมื่อวานที่นั่งฟังธรรมะบนเขาแล้วมีลมเย็นมากระทบกายแล้วใจมันสุขถ้าจะจับความสุขเย็นแบบนี้มาเป็นอารมณ์นึกแทนคำภาวานาได้ไหมคะไม่ได้เราเป็นอดีตไปแล้วเราต้องตั้งอยู่ในปัจจุบันให้จิตอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่าไปคิดถึงอารมณ์ในอดีต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 คำถามะาตะกุงธรรมดานะครับขออาจารย์แนะนาวิธีการพิจารณาแยกกายเป็นธาตุตอนนั่งสมาธิค่ะเอาตอนนั่งสมาธิไม่ให้แยกกายตารนั่งสมาธิให้มันนิ่งให้มันสงบไม่ให้มันคิดเวลาออกจากสมาธิแล้วค่อยมาคิดแยกกาย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 อวัยวะต่างๆของร่างกายถ้าเป็นเด็กก็ให้มันโตขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นผมยาวขึ้นถ้าเราเกิดมาจากท้องแม่แล้วไม่กินไม่ดืม่มนี่มันจะโตขึ้นมาได้เปล่าแล้วสิ่งที่ทําให้มันโตคืออะไรก็ข้าวผักเนื้อน้ําลมหายใจของพวกนี้มันก็เป็นธาตุทั้งนั้นนินน้ําลมไฟแล้วเวลาตายไปร่างกายมันหายไปไหน มันก็หายไปกับธาตุไม่ใช่น้ำก็ไปทางลมก็ไปทางไฟก็ไปทางดินก็ไปทางมันก็เนื่องคือร่างกายของเราก็คือการรวมตัวของธาตุสี่และการแยกตัวของธาตุสี่รวมกันก็เรียกว่าเกิดพอแยกกันก็เรียกว่าตายท่านั้นเองไม่มีอะไรไปมากไปกว่านั้นคําถามข้อต่อไปจากคุณเ อ, อ็กโซดังอีกครั้งนะครับ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 ลองพิจารณาทุกอย่างที่เรากำลังมีอยู่ติดอยู่เนี่ยมีอะไรโยนทิ้งไปเลยนาฬิกาถ้าไม่จะเป็นสร้อยเพชรอะไรก็โยนทิ้งไปยกให้คนอื่นไปเอาไปทําบุญสมัยหลวงตาท่านทำทองคำช่วยชาตินี่บางคนถอดสร้อยถวายท่านเลยถอดแหวนถวายเลยพอฟังแล้วไม่รู้ห้อยไปทาไมใส่ไปทาไมเพราะความหลงที่ว่าเป็นที่พึ่ง หาลูกแม่กำลังห้อยงูอยู่ที่คอนี่เองเวลาหายไปร้องโหม่ร้องไห้กินไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะเวลามันจากเราไปเนี่ยเขเรียกอนิจจังมองไม่เห็นอนิจจังดังนั้นอย่าไปยึดไปติดกับอะไรเพราะมันจะต้องจากเราเวลาจากเราแล้วร้องโหม่ร้องไห้อย่างมาเมื่อเช้านี้แฟนของคนตายใส่บานนี่ธรรมดาเจอเขานี่ยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้วันนี้ใส่บานน้ําตานองหน้าเลย Yeah. คําถามจากคุณสุดธมานะครับขอให้พระอาจารย์แนะนําการฝึก ด, ดูลมขณะนั่งสมาธิมีวิธีปฏิบัติอย่างไรต้องตามลมไปหรือไม่เออไม่ต้องตามลมให้ดูลมที่จุดเดียวจุดที่มันสัมผัสเข้าออกตามแถวบริเวณปลายจมูกหรือเหนือริมฝีปากขึ้นมา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 ลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมหยาบ ก, ก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหมายไปลมหมดไปก็ให้รู้เฉยๆอย่าไปตื่นเต้นตกใจแล้วเดี๋ยวมันจะรวมเข้าสู่ความสงบของมันเองคำถามยังไม่มาอาจารย์มหมดเวลาไม่เป็นไรก็นั่งไปเรื่อยๆพักผ่อนไปเดี๋ยวก็เข้ามาเองเร้ทำไม่ถามว่านั่งครับ เช็คไมค์ก็โฟนตัวเมื่อกี้นี้ทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะเมื่อกี้มันยังเสียงดีอยู่เนี่ไหนให้ส่งมาให้หยกดูหน่อยดิจะได้แก้ปัญหาได้เลยตอนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะเรียว่ามันอนี่จังก็ไม่รู้หลอหลอมค่ะลองเสียงใบใหม่ดิลองเสียงใหม่ดิไม่เสียงจะไปดูได้ไง เปิดไยังตรงมันไม่ได้เป็นที่งเสียงนี้ก็ปกแล้วแล้วมเปิดไ้ยังทไมเมื่อกี้ยังใช้ได้นะก็แสดงว่าไมโครโฟนเสียก็เปลี่ยนใหม่หรือคงที่สายด้วยสายก็อาจจายในเวลาก็ให้รู้ไว้มันมันเป็นปัญหาใแล้วก็เดี๋ยวซื้อสายเดี๋ยวทดลองไหม่ด้วยสายดูก็ได้สายไม่น่าจะเสียหรอกถ้าเสียก็เสียแค่ที่ตรงฟายเนแนเ นี่เรียกว่านอนิจจ์ใช่เหมตอนอนิจจงก็ทุกขังตามมาเพราะไม่อยากให้มันเสียเพราะอยากให้มันใช้ได้เพไม่ลองใช้ไม่ได้ก็เป็นปัญหาให้กันมาแตถ้าเราไม่ไปอยากใช้มันเสียก็เสียก็จบไม่หยากไปอยาก มนนันเป็นอย่างนั้นก็มันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเสียใช้ไม่ได้ก็อย่าไปใช้มันคำถามสกุณธรรมชาตินะครับขอการเรียนถามพระอาจารย์ชอบนั่งสมาธิแต่ไม่ชอบสวดมนต์ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดได้ไหมเจ้าค่ะได้ถ้านั่งสมาธิได้ก็ไม่ต้องสวมดมนต์คนที่สวมดมนต์ส่วนใหญ่เพราะเขายัางนั่งสมาธิไม่ได้ ก็เลยต้องการใช้การสวดมนต์เป็นการแทนนั่งสมาธิไปก่อนเพราะการสวดมนต์ก็จะทำให้มีสติทำให้ใจไม่ฟุ้งซ่านทำให้ใจเย็นใจสงบเพียงแต่ยังไม่รวมเท่านั้นเองแต่ถ้าต้องการให้รวมนี้ต้องนั่งสมาธิแล้วก็อยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับพุทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจไปจิตถึงจะรวมได้เพราะเราต้องการให้เป็นหนึ่งไงมันก็เลยต้อง มีอารมณ์เดียวสักเอกขัตตารมมีพุทโธอย่างเดียวหรือมีลมหายใจอย่างเดียวแล้วมันก็จะรวมแต่ถ้านั่งแล้วมันอึดอัดแสดงวสติสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันชอบคิดก็เลยให้มันมาคิดทางการสวดมนต์แทนการสวดมนต์ก็เป็นการคิดอย่างหนึง่งคิดไปสวดไปยะทั้งมันเหนื่อยไม่อยากจะสวดก็แสดงวกิเลสมันหมดแรงแล้วพอหมดแรงสวดก็ดูลมต่อไปได้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 แล้วสําหรับบุคคลที่ไม่ค่อยสวดมนต์ไม่ค่อยนั่งสมาธิอะไรอะไรต้องปฏิบัติอย่างไรครับอาจารย์ก็เปิดทีวีดูซิ <laughs> <laughs> ไม่มีวิธ ท, <laughs> ที่จะปฏิบัติได้อ๋อ ไ, ไดม้มีวิธีหนึ่งคือให้ฟังเทศฟังธรรมไปอ <c oughs> ฟังธรรมก็จะทําให้ใจสงบได้ <c oughs> อันที่สองของการฟังธรรมก็คือทําให้จิตใจสงบผ่องใสถ้าฟังแล้วใจ ไม่ไปคิดเรื่องอื่นนะต้องฟังอย่างจดจอ่ออย่างต่อเนื่องก็จะได้สมาธิคนบางคนถึงนิยมฟังทำกันเพราะฟังแล้วทำให้ใจสงบแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาด้วยแตยังเป็นปัญญาขั้นต้นคือสุตตมัจปัญญาที่จะดั่งนำเอาไปพัฒนาให้เป็นจินตาและเป็นภาวนามยะปัญญาต่อไปก็คือเนี่ยวันนี้ฟังแล้วบอกให้พิจารณาอย่างเนื่องเืองความแก่ความเจ็บความตาย เป็นธรรมดาร่วงพ้นไปไม่ได้เอาไปพิจารณาต่อก็เรียกก็เป็นจินตามายะปัญญาพอาพิจารณาไปเรื่อยๆจะกระทั่งจิตวางเฉยได้อุเบกขาได้ก็เป็นภาวานาวายะปัญญาขึ้นมาต่อไปก็จะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายวพาเราจะเฉยกับมันคำถามคุณคารีนะครับเวลาเข้าวัดถือศีลใจนิ่งสงบไม่คิดฟุ้สร้าง แต่พอกลับบ้างใจก็ไม่สงบมีแต่ความต้องคิดเป็นเพราะอะไรคะแล้วควรทำอย่างไรพอ เ, เหตุการณ์รอบตัวเรามันบังคับให้เราคิดจะมันมีเรื่องราวต่างๆที่เราจะต้องทำเวลาทำอะไรก็ต้องใช้ความคิดถ้าไม่อยากจะเจอก็อยากกลับไปอยู่วัดไปนานๆนนบวชไปเลยไม่ต้องกลับ <laughs>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 ถ้าไม่มีสติอยู่ที่ไหนก็มีเรื่องทั้งนั้นแหละคำถามตะคุณ17เมษายนนะครับสวนมนต์หลังที่คืนได้ไหมคะเมนูทำงานเลิกดึกมากไม่มีเวลา เ, ออเวลาสวดมนต์นี่สวไดสวได้ทั้งวันทั้งคืน 7-11 24ที่24ชั่วโมงคำถามตะคุณเอ็กซโดมอีกคำถามนะครับผมเคยนั่ง และนอนสมาธิเคยเห็นร่างตัวเองประมาณห้าวินาทีผมกลัวตายผมลืมตาจากนั้นก็ไม่เป็นอีกเลยอาการแบบนี้มันดีไหมครับและมีโอกาสตายไหมครับเห็นร่างอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นไม่กลัวเวลาลืมตาก็เห็นร่างอยู่พอหลับตาเห็นร่างกลับไปกลัวมันเป็นยังไงเนี่ย ถามาถามนะครับผูกปกกเลสหมาห อ, อไรอไปถามด็อกเตอร์กูลได้เลยถ้าหมดแล้วก็ไม่เป็นไรน ะ, ะก็สมควรววจเวลาพอถามมาเป็นคำถามมากมายก่ายกองก็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 เงินไปแล้วเหงื่อไหลไแล้วของจริงของแท้น้ำเงินไปอันนี้สมมุติอยู่เป็นเฮงื่อไหลเป็นคุณสุกเป็นคุณอะไรนี่สมมุติอยู่ของจริงก็คือมีน้ำเงินไป ตัวประโยชน์เวลาที่ยังไม่ตายกันวานาฟังท่านอาจารย์ลุ๊กธรรมราท่านอาจารย์ไม่เคยพูดถึงการหน้าที่ว่าถ้าเกิดเราไม่รีบทำเนี่ยเอะไรต่างๆมันจะร้ายแรงขึ้นทุกทีที่ท่านอาจารย์บอกว่าคนเนี่ยต่อไปมันต้องพบอาวุธแล้วมันเจอกันแล้วมันจะฆ่ากันเลยริกระสานมี ก่อนนี้เป็นผักเป็นเป็นเป็นสัตว์เป็นเนื้อสัตว์เป็นเปนเหมือนสังคมของเดรัจฉานะตรงนี้เป็นยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามีไหมคะมีแต่ไม่สนใจกันตอนนี้ก็เรามีเป็นยุคจุดหย่อนหยนะที่ไหนไม่มีศาสนาพุทธก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วภาคตะวันออกกลางนี่ก็มีศาสนาเหมือนก็นมันก็ฆ่ากันเป็นผักเป็นเบื่อนะสงครามเมดิเร์เนียเนี่ยตายไปสี่แสนแล้วเด็กผู้หญิงเลยมันบอม มีห น, น้าคงสายๆหมดเลยน่าสนใจจะรักษาผลประโยชน์ของตนนั่ต่อไปก็ทุกคนก็จะติดอาวุธกันเป็นแก๊งเป็นกลุ่มกันป้องกันผลประโยชน์ของตนเลยเจกันก็ทองสายแล้วมันจะมาใช่งนนั้นคนที่มีสินทรัพเหลืออยู่บ้างไม่ใช่ในช่วงก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาเนี่มาอยู่ชี้โอน <c oughs> <c oughs> มันตาดไปอยู่ด่านวิเวกพอพวกที่พวกที่อยู่ในเมืองมันฆ่ากันตายหมดแล้วพวกคนที่อยู่ในในป่าก็ออกมาสร้างสังคมใหม่เนี่ยพวกเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเนี่ยจิตของคนจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆศีลธรรมจะจะหมดไปแล้วก็การฆ่ากันเป็นฆ่ากันจนกันทั่งตายกันไปหมดมาหมดแล้ว คนที่เขาเป็นคนดีที่หลบไปอยู่ตามชนบทตามป่าตามเขาก็ออกมาสร้างบ้านชาเมืองแล้วก็เริ่มทำบุญรักษาศีลภาวนาทนก็จะมีพระศิรีอน อ, อหมายพระพุทธเจ้าองคหมายมาตัดชนลงแล้วก็มาแสดงธรรมมาพวกนี้ไปไปนิพพานกันแต่ช่วงนั้นก็ทิ้งช่วงนานมากก็นานเน่ยมันก็เป็นกลับ การอาละกุศลของอันนี้ยังไม่หมดประมาณสองพันห้ารอ่อันนี้เป็นระยะยาวมากจิดจิตคนก็ค่อยเสื่อมไปเรื่อยทีนธธรรมค่อยเสื่อมไปเรื่อย <c oughs> จนมันถือเป็นเรื่องปกติไปเรื่องข้าพันกันเป็นเรื่องปกติตอนนี้ก็รู้สึกจะเป็นอย่างนั้น ผู้จําหน่านี่เพื่อให้ไปปฏิบัติใช่ไเราอย า, อยากไปอยู่กับพวกนี้เลยอยู่แบบนี้เลยอย่ามาเกิดเลยไปอยปู่กับพระพุทธเจ้าดีกว่ามี ใ, ใจาลามังสุขขังใใมี่ใจะบาลามัสุขถ้ากรรมมาเกิดก็จะเจออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจะเจอแต่เรื่องเลวร้ายมากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย มันระเบิดสองวันก่อนกี่กี่ที่สิบเอ็ดที่ใช่ไหมสิบอ็ดเขาด้วยต่อไปมันจะมากกว่านี้เพ่ไมไปเรื่ยๆวกเสียผลประโยชน์มันก็ต้องการที่จะได้คือประโยชน์ก็ต้องหาเรื่องนักยากรรมว่าเกิดอดไรที่สุดทุกย่งไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้น ายังมาเกิดก็ยังต้องทุกต่อไปอไปแบบได้นะ <c oughs> <c oughs>